หลวงพ่องดหลายสดไปห้าสัปดาห์เป็นโลกเรีอกอมบรึกนดีได้หมอเข้าฝังเข็มให้ไม่คิดตังก็เลยหายเร็วก่อนที่จะปิดวัดไปหลวงพ่อก็บอกพวกเรา กรรมฐานนั้นต้องมีโอกาสทำต้องรีบทำช้าไม่ได้เพราะ ม, ามันจะผจนมันที่ะจญนั่นกที่เห็นๆ เ, เลนก็คือตัวขันธมานไม่ได้เบียดเบียนพวกเราทงทงมาเบียดเบียนทางหลวงพ่อแทนแครูบาจาจา์ เจ็บป่วยแล้วเราะไปเรียนที่ไหนทุกวันนี้การเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่เหมือนเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนส0มสิบสี่สิบปีก่อนครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราไปภาคอีสานเนะียตรงนี้ก็มีวัดครูบาอาจารย์นั่งรถไปอีกไม่ไกลก็มีอีกแล้ว เรียงกันเป็นแถวเลยตามถนนต่างๆงแต่ละเส้นทางอย่างทางอีสานใต้มีตั้งแต่โคราดหลวงพ่อพุธไปทางบุรีรัมย์สุรินบุรีรัมย์ก็มีหลวงปูส่สุวัตอยู่สุริมน ม, กกมีหลวงปู่ดุลหลวงปู่สามศรีสเกตมีหลวงปู่หลวง ไปถึงกูบลมีหลวงพ่อชายอยู่ทางอีสานขึ้นไปคอนแก่นแนละ้วจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะก็มีหลวงปูง่พังนี่แลก็เส้นทางจากอุดอรไปหนองบัวลําพูนั้นครูบาอาจารย์อยู่กันเยอะแยะเลยจากอุดอรผ่านไปสกลไปนครปนมครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะ จากอุดอขึ้นไปหนองคายไปเมืองเลยเกามีครูบาอจารย์อยู่เยอะๆเลยสมัยนั้นหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอจารย์ทีแรกก็เ ข, เข้าไปหาหลวงปู ด, ดุลเรียนกับหลวงปู ด, ดุลรู้เรื่องหลวงพ่อก็ดูออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆ ไปหาประสบการณ์นั้นเรามั่นใจแล้วเราไม่ลงทางแล้วไปครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็สอนเหมือนเหมือนกันบางองค์ก็สอนเรื่องพุทธโธนะพุทธโธแต่พุทธโธไม่ใช่พุทธโธให้ใจสงบเฉยๆอันนั้นตื้นเกินไป ท่านสอนพุทธโธให้เรารู้จิตตนเองสิ่งที่เรื่องว่าพุทธโธก็คือจิตของพวกเรานีเองบางองค์ท่านสอนตรงไปตรงมาเนี่ยนะพุทธโธใจรู้พุทธโธ ร, รู้ใจพุทธโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทธโธแล้วเราก็รู้ทันใจเราเองตรงนี้ใช้ทํามกับกรรมฐานอื่นก็ได้ทั้งหมดแล้ว อ่างเราดูกายกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูธรรมานาปนาสติเรเห็นนะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะถ้าทําอิริยาบถร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูทําสัมปชัญญนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้นขยับนะี้มันไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถเราอย่างนั่งอยู่ ร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนี่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในสัมปชัญญะอบภาคดูเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูดูจิตดูใจจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศล จิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อคุศลแต่จิตเป็นคนดูจิตดูจิตเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านก็มุ่งมาที่จิตทั้งนั้นเลยก็แต่ละอง์ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยส่วนใหญ่นอกสายหลวงปู่มัน่นหลวงพ่อก็ไปนะอย่างหลวงปู่ครูบาพรห ม, มจักนะท่านก็สอนพุทโธเหมือนกัน นั้นท่านที่ภาวนาดีภาวนาถูกนะทำม้ามลงที่เดียวกันลงมาที่ใจในี่เองอีกองอย่างหลวงพ่อเกษมเขมะโก้ทนะ่านไม่ได้สอนตัวพุทธโธ ต, ตรงๆท่านก็สอนเข้ามาที่จิตที่ใจเหมือนกั น, นสอนเราคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบาย น, นี่ก็เรื่องของจิตลังใจจิตดีก็คือคิดที่เป็นกุศลจิตใจก็ร่มเย็ยนมีความสุขคิดไม่เป็นเนนิพพานคิดไม่เป็นไม่ใช่ปไปคิดไม่รู้เรื่องคิดไม่เป็นหมายถึงว่าคิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็านิพพานนักครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะบางทีสำนวนอหางที่ท่านสอ น, นแตกต่างกัน แต่ใจความเนื้อหาสาระก็ตัดตรงเข้ามาที่จิตแหมืนๆกันหมดก็ส่วนใหญ่ถ้าก็เป็นรู้สึกทางหลภผูมั่นหลงผูมันม่นว่าได้ใจก็ได้ทำไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทำจิตก็ใจก็อันเดียวกันเนี่ยทำงานคนละแง่คนละมุม หลวงปู่ดูลัณฑนก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก mm ็ hmm. เรื่องจิตทั้งนั้น mm hmm. เวลาทำกรรมฐานเบื้องต้นท่านก็สอนอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเพื่อมีจิตที่ตั้งมั่น mm hmm. เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นคือตัวจิตผู้รู้ม mm ั hmm. มีจิตผู้รู้แล้วก็เจริญปัญญา จงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปมียานมีปัญญาเห็นจิตใจเราทำงานไปเหมือนลูกตาเราเนี่ไปเห็นรูปตาเราไปบังคับรูปไม่ได้รูปเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นจิตนี่ก็เหมือนกันมันทำงานไปเราบังคับมันไม่ได้อย่าไปบังคับมันมันเป็นยังไงเราก็เห็นไปอย่างนั้น คราจารย์สอนงั้นมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจทั้งนั้นเลอยูยแ่แรกๆหลวงพ่อสอนเรื่องให้ดูจิตดูจิตนั้นคนหัวเราะนะบางทีว่าทำไมไม่ดูไก่ก่อนการดูจิตดูใจมันจะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องการดูจิตในเบื้องต้นยังได้สมถะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรก็ทิ้งจิตไม่ได้ จะพุโทโธหรือจะดู ก, กายอะไรมันก็ทีิ้งจิตไม่ได้มีจิตเป็นคนดูนี่ถ้าจับหลักไม่ได้นีบางทีก็ไปพุโทโธพุโทโธไปก็น้อมใจให้เสื่องซึมให้นิ่งๆอย่างนี้มันไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติมไม่ได้จิตไอ้สิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นก็ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นเองแต่เรียนแล้วมันเข้าถึงแก่น คือเข้าถึงจิตถึงใจได้หลวงปู่เทศท่านสอนเลยว่าการภาวนานะถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติเพรน้นที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านตัดเข้ามาที่จิตเลยแต่ไม่ใช่ท่านสอนทุกคนเข้ามาที่จิตบางคนท่านก็สอนให้พุทโธบางคนท่านบางองค์ท่านก็สอนให้พารนาผมบางองค์ท่านสอนพีรณากระดูก แต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันถ้าให้พุโทโธให้พิณาผมให้พิณากระดูกอะไรนะสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้องะได้สมถะแล้วท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตนะตรงนี้มันมีทั้งสมถะทั้งมิปัสนาการดูจิตนะถ้าเราไปดูอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตอย่างเราไปดู ความว่างเวลาเราดูจิตนะัดูไปนะันมันจะว่างๆดูไปในช่องว่างนี่เป็นอรูปิชานอย่างอากาศสานัญจยตนะถ้าไม่ดูอารมณ์คือความว่างย้อนมาดูตัวจิตจะเป็นอรูปิชานที่สองชื่อวิญญาณัญจยตนะถ้าดูต่อไปก็จะเห็นนะการดูจิต หรือดูความว่างที่เป็นสิ่งที่ทุกครู้เป็นอารมณ์ไม่ว่าจะดูอารมณ์หรือดูจิตที่ยังเป็นภาระก็เลยไม่ดูอะไรเลยไม่กำหนดลงไปที่ทั้งอารมณ์ทั้งจิตอันนั้นเป็นอรูปิชาญที่สาบชื่ออากินจัญญายตนะที่เป็นเรื่องของจิตจิตทรงอยู่ในอากินจัญญานานๆไปนะสัญญามจะอ่อนลง การหมายรูปจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในส่วนก็เหมือนเราไม่ไม่มีสัญญามีสัญญาแต่เหมือนไม่มีสัญญาแต่นั้นเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเป็นอรูปที่สี่งั้นดูจิตดูใจไม่ใช่เป็นมิปัสนาตลอดนะที่ไปดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่ไปพลาดเข้าอารูปไปแค่เป็นสมถะ นี่ที่หลวงปู่ดูันท่านสอนหลวงพ่อท่านไม่ได้มุ่งมาตรงนี้แต่หลวงพ่อทำทีแรกสามเดือนแรกแลาวทำผิดมันไหลไปเข้าช่องนี้ไหลไปช่องอยู่ความว่างรู้สึกอยู่เฉยๆว่างๆไปส่งงันบ้านท่านท่านบอกทำผิดแล้วอันนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง เดี๋ยวแต่รู้อยู่เฉยๆนั้นเป็นสมถะท่านไม่ได้สอนละเอียดอย่างเงี้ยท่านพูดคําเดียวผิดแล้วไปทําใหม่ไปดูใหม่ให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปทำํำตรงที่ไปดูจิตนั้นก็ได้เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดียเด๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนี่เห็นจิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็หลงไปลิ้มรสเดี๋ยวก็หลงไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็หลงไปคิดนึกทางใจนี่หลงบางทีก็หลงไปเพ่งหลงทางใจมีสองงานใหญ่ๆหลงไปในโลกของความคิดหลงเข้าไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนิ่งๆอยู่พอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะก็จะเริ่มเห็นนะ สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรดหลงก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงจิตไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ทําหน้าที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ทําหน้าที่รู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้รสก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยง นะจิต ท, ที่ทำงานทางใจคิดนึกไปหรือไปเพ่งนะก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตนั้นก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสลายไปแล้วก็เห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราบังคับไม่ได้จิตจะสุข ก, ก็สั่งไม่ได้จิตจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ จิตจะดีก็ทำขึ้นมาไม่ได้มีขึ้นมาแล้วรักษาไ้ก็ไม่ได้จิตจะชั่วไม่ได้เจตนาจะชั่วมันก็ชั่วได้เองรลบ ก, กลวดลงได้เองมันชั่วแล้วนะจะสั่งให้มันหายไปมันก็ไม่หายก็ไม่หายเออมันเป็นอนัตตานะเนี่ยเวลาดูจิตดูใจดูนามธรรมเนะี่ยตัวที่เด่นชัดนะคือตัวอนิจจัง อนัตตางเวลาในพระสูตรมันจะมีตัดแล้วมีการตัดพระสูตรนี้เอามาเป็นบทสวดมนต์ที่บทธรรมะเช้าด้านจะขึ้นอรู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจจังแล้วก็โดดขึ้นไปรู ป, ปังอนัตตาเลยไม่ไม่มีรู ป, ปังทุกขงังไม่มี เวทนาทุกขังนะไม่ได้มีจากอนิจจังท่านโดดขึ้นอนาัตตาเลยเพราะการดูขันห้าเนี่ยเหมาะกับพวกที่ดูจิตใจนะเหมาะกับพวกที่ถนัดที่จะดูนามธรรมในขันห้านี่มีรูปธรรมแค่หนึ่งคือตัวรูปอีกสี่ตัวเป็นนามธรรมล้วนๆเลยนั้นเวลาท่านสอนคนซึ่งเหมาะจะดูนามธรรมนะท่านสอนขันห้า ถ้าท่านสอนพวกที่ควรจะดูรู ป, ปรธรรมนะอย่างท่านสอนฉดินสามพี่น้องกับบริวารอีกพันหนึ่งนะท่านสอนเข้ามาที่ตัวอายตนะอกนะรูปเป็นของร้อนนะตาเป็นของร้อนนะหูเป็นของร้อน จมูกลิ้นกายเนะี่ยเป็นของร้อนนี่เป็นตัวรูปทั้งนั้นเลยมีนมามธรรมตัวเดียวคือใจเป็นของร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยเราจะเห็นนะอายตนาทั้งหลายนะถูกแผดเผาให้เ้อาร้อนด้วยกิเลสมีแต่ทุกข์นะตัวที่เด่นสำหรับพวกที่ดูถนัดทางกายนะคือตัวทุกข์ กับตัวอนัตตาพวกที่ถนัด น, นามธรรมนะจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายแต่ไม่ใช่ว่าดูจิตดูใจเราไม่เห็นทุกขังนะไม่ใช่อย่างเวลาภาวนาเนี่ยบางท่านเวลาภาวนานท่านเห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อันนี้สําหรับท่านที่ท่านเล่นฌานมากๆสมาธิท่านมากๆเวลาท่านจะแตกหักเนี่ย ถ้าจะแตกห่างด้วยการเห็นทุกข์เรียกอัปปานิสิตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์งั้นเวลาดูจิต ด, ดูใจนะตอนที่ดูของเราไปอย่างเนี้ยเห็นแต่เกิดดับเกิดดับนะเวลามันจะตัดสินความรู้เนี่ยบางทีมันตัดสินได้ช่องของอนิจจังเรียกว่าอนิอนมิตตาวิโมกนิมิตคือเครื่องหมายทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เห็นอนิจจัง บางท่านที่ท่านชํานาญในสมาธิท่านจะหลุดพ้นด้วยอาปาณิขิตาวิโมกข์จะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์ท่านที่ท่านเจริญปัญญาอย่างเจริญปัญญารวดไปนะ่ยชำนาญในการเดินปัญญาทําวิปัสสนาเป็นหลักท่านจะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตานี่ว่าสุญญาตาวิโมก เราเลือกไม่ได้จิตเขาจะเป็นไปเองหน้าที่เราก็คือคอยรู้คอยดูจิตแต่ไม่ว่าเริ่มต้นเราจะดูกายหรือดูเวทนานะสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตเพราะอย่างเราดูกายเนะี่ยใครเป็นคนเห็นกายจิตเป็นคนเห็นกายใครเป็นคนรู้เวทนาจิตเป็นคนรู้เวทนาดังนะนั้นจิตนั่นแหละเป็นคนรู้ ทุกๆตัวจะเริ่มจากดูกายก็มีจิตเป็นคนดูกายจะดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูเวทนาจะดูสังขารจิตตสังขารก็มีจิตเป็นผู้รู้จิตตสังขารจะรู้ขันรู้นิวนรู้โพชฌงรู้ปฏิจจสมุปบาทก็มีจิตเป็นคนรู้ดังั้นเวลาพ อ, อนานเนี่ยมันไม่ได้มีสายกายสายจิตอะไรจริงจังนักหรอก แค่ถนัดอะไรก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนแต่พอเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้จริงหรอกเรามีสติอยู่จริงๆนะบางทีมันกกายมันเด่นมันก็รู้สึกกายบางทีเวทนาเด่ น, นก็ไปรู้สึกเวทนาบางทีจิตแต่สังขารมันเด่นอย่างโลภโกรธหลงมันเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปรู้โลภโกรธหลงนะงนั้นจริงๆเราเลือกไม่ค่อยจะได้หรอกขอให้มีสติเท่านะ้ มีสติอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็ น, นทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามนธรรมน ะ, นะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นรูปธรรมนามนธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นเป็นภาร ะ, ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแต่ตกอยู่ ใ, ใต้คาว่านัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่ในขั้นเจริญปัญญานะแต่ในขั้นการทำสมถนะเนี่ย จะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้อะไรก็ออนนั่นแหละไม่ได้เลือกอะไรจริงจังหรอกงั้นสายกายสายจิตเลยนั่งเทียนกันอะไรสาระมากพอนาไม่เป็นนะต้อนั่งทะเลาะว่าดูกายดีหรือดูจิตดีพอนาเป็นมาเห็นท่านจะมาทะเลาะ ก, กันเลยมันก็ลงที่เดียวกันหมดจะดูกายก็มีจิตเป็นคนดูจะดูจิตก็มีจิตเป็นคนดูสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิต หลวงปู่สวันีท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกนะเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นท่านกะสอนว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทาสมถะทำสมถะเพื่อให้มีกำลังรับพระไปดูกายดูจิตได้ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมถ้าไม่มีจิต ไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้ธรรมะท่านถึงบอกไนงะได้ใจก็ได้ทำไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทำเสียใจไปก็คือสูญเสียโอกาสมารรลุธรรมะไปงั้นพวกที่ดูจิตก็อย่าดูถูกพวกดูกายครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผ่านมาด้วยการดูกายก่อนเบื้องต้นดูกายมาก่อนพวกดูกายก็อย่าไปดูถูกพวกดูจิต ถ้าดูจิตเป็นนีก็จะรู้ว่าเขาก็ทําได้อย่างหลวงปู่มัน่นท่านสอนหลวงปู่ดุลให้ดูจิตหลวงปู่ดูลไม่ได้คิดการดูจิตขึ้นเองแต่หลวงปู่มั่นสอนท่านหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดเรื่องดูจิตขึ้นเองหลวงปู่ดุลสอนหลงพ่อมาอีกทีนันนนนน้ครูบาอาจารย์ก็สอนสืบทอดกันมาอย่างเนี้ยการปฏิบัตินั้นทําไมพระพุทธเจ้าสอนทำมาตั้งเยอะแยะ8ปดหมืสี่พันพระธรรมขันภ์ตั้งเยอะตั้งแยะ หลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคืออาจารย์มหาเขียนเจ้าคุณอริยะเวทีจําไม่ค่อยได้นะอริยะอะไรท่านอริยะเวทีท่านอยู่ที่กาลสินเคยเข้าไปกราบท่านท่านท่องพระไตรปิฎกได้ตอนนั้ น, นท่านบอก ท, ท่านท่องได้ประมาณสาสิบเล่มหรืออะไรองนี้หลวงพ่อจําตัวเลขไม่ได้ละมหลายสิบปีมาแล้ว ท่านบอกว่าที่ท่านท่องๆนะท่านพบความจริงข้อหนึ th th ่งธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทางสิ้นเ okay. right. <|ja|> ั็นว่าอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราเข้าไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติเราอ่านแล้วแล้วก็อันนี้ปฏิบัติได้อันนี้ปฏิบัติไม่ได้ท่านฝันทงเลยว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติไม่ใช่สอนเพื่อให้ฉลาดแตกฉานเอาไว้เถียงกับคนได้ นั้นถ้าเรียนธรรมมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนะี่ยยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่พุทธเจ้าต้องการเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะท่า น, นก็สอนลงมาการปฏิบัตนะิลงมาที่จิตที่ใจทั้งหมดเลยทุกๆุกองนะที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไรนี่ทําไมพวกเราฟังหลวงพ่อมาตั้งนานบางคนฟังตั้งสิบปียี่สิบปีทําไม่ได้ บางคนทําเดือนสองเดือนทําได้แต่ละคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันบางคนมีต้นทุนดีอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเกิดอะไรมากระทบใจอย่างแรงๆเกิดอะไรที่ตกใจขึ้นมาเนี่ยนะจิตผู้รู้นะีมันตีดผางขึ้นมาเลยขึ้นมาเองเลยแล้วเห็นกายเห็นความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่งขันมันแต่กระจยแยกตัวออกมาเลยนะ ผู้รู้ผู้ดูเด่นดวงขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาเคยมีของเก่าของเขามาะผู้นี้ถ้ามาต่อยอดเจอครูบาอาจารย์ต่อยอดให้มันก็ไปได้เร็วบางคนตอนเด็กๆนะเกิดสงสัยขึ้นมาโดยที่ยังเล็กๆอยู่ยังเด็กๆอยู่แล้ว เ, เกิดมาทมําไมอันนี้ยพวกเราใครเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทําอะไรยกมือให้ดูซิมีไหมนะมีหลายคน พวกนี้ก็ต้องมีบา ร, รมีนะไม่งั้นไม่สงสัยหรอกนั่นมานั่งสงสัยว่าเราเกิดมาทําอะไรงั้นสิ่งเหล่าเนี้ยบางคนเขามีต้นทุนแล้วเขาเจอครูบาอาจารย์เขาต่อยอดได้ด้วยความภาคเพียรเขาก็ได้ผลเร็วหลวงพ่อพูดนี่มันหลายเงื่อนไขนะมีกรรมเก่าที่ดีนะมีบุพกรรมที่ดีมีต้นทุนสูงนะ ทำบุญมาดีได้เจอครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมนะมีศรัทธาในท่านที่ควรศรัทธาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาแล้วก็พาเราเสียหายนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะพาเราเสียหายเละเทไปเลยเน่าๆไปเลยนะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะได้ฟังธรรมบางคนเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแต่ไม่ฟังธรรมมีนะไปนั่งปราบปรื๊ม อยู่ใกล้ๆครูบาจารย์น้ำหูน้ำตาร่วงพลื้มหรือเอาแต่ทําบุญทําทานนะเอาแต่ทําบุญทาทานอย่างเดียวไม่ได้คิดจะภาวนานปลื้มอย่างเดียวเลยหรือบางทีเกาเกรงใจครูบาอจารย์นะไม่ถามไม่ยอมเรียนกรรมฐา น, นอย่างอนาถินทิกานีไม่ยอมเรียนกรรมฐาน น, นางวิสาขา ข, าข้าวัดเนี่ยค่อยดูแต่อย่า ง, างเดี่ยวว่า พระลําบากอะไรพระอดอยากอะไรพระขาดแคลนอะไรวัดตรงไหนชำรุดทุดโทนจะได้ซ่อมอะไรเงี้ยเข้าวัดมาแล้วก็คอยดูแต่สิ่งเหล่าเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเหล่านี้ยนะมีโอกาสแล้วแต่ไม่ได้ใช้โอกาสเหมือนพวกเราบางคนจํานวนมากเลยไปวัดครูบาอาจารย์นะไม่ได้คิดเรื่องภาวนา เป็นหลักไอ้คิดว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญกับท่านจะได้บุญเยอะนะชาติหน้าจะได้รวยอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้ข้าวัดแบบเนี้ยมันดีไหมมันก็ดีแต่มันดีน้อยไปหน่อยเรียกว่าไปเจอของวิเศษแล้วก็ทอดทิ้งซะไปเอาของซึ่งไม่ค่อยสำคัญหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะเรื่องอื่นไม่เอาเลยนะ หลวงพ่อมุ่งไปที่กรรมฐานอย่างเดียวยแนนแต่เข้าไปหาหลวงพู่ดุลไปหาหลวงพ่อพุธไปหาหลวงพู่เทศเลยเนี่ยมุ่งไปที่กรรมฐานส่วนบุญทานอะไรนั้นก็ทําเท่าที่เราทําไหวนะทําแล้วก็ไม่ได้แช่มชื่นใจอะไรนักหนาหรอกนะได้ใส่บาตรท่านนะ่ะบางคนนะไปใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็ปืมน้ําหูน้ําตาร่วง หลวงพ่อใส่ไปอย่างนั้นนะเป็นกิริยาเท่านั้นเองเฉยๆแล้วเราเจอของที่ดีกว่านั้นแล้วคือธรรมะนึกถึงธรรมะแล้วก็ใจมันก็ปรับรื้มมีความสุขคนละระดับกันคนะระดับกันงั้นอย่างหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยมุ่งไปขอธรรมะจากท่านขอวิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติปนฏะิบัติให้เต็มที่เลย น, นอย่างถ้าเรามีต้นทุนเดิมดีส่งผลมาได้เจอครูบาอาจารย์เจอครูบาอาจารย์แล้วตั้งใจฟังธทรรมเพื่อการปฏิบัติอันนี้ถึเรียกว่าเราคุ้มพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วถึงตัวสุดท้ายเลยทำความเพียรให้เต็มที่ไม่ใช่นานๆทำทีอย่างพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะบางคนนนะตั้งเป็นสิปียี่สปี มันไม่ได้อะไรเลยมันได้แต่ทําบุญทําทานก็มีไม่ใช่ไม่มีนะปฏิบัติทำไม้เต็มที่เป็นยังไงคิดแต่ว่าวันหนึ่งเราจะแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนบางคนขอสิบห้านาทีก่อนนอนเองแล้วทั้งวันเนี่ยลงทั้งวันทั้งวันลงทั้งวันแล้วก็กล่าวไปทํากรรมาฐานก่อนนอนนิดนิดหน่นอยๆ ก็สะสมกิเลสมาตั้งสิบกว่าชั่วโมงไปทำกุศลจะล้างกิเลสทาครึ่งชั่วโมงทาชั่วโมงนึงไม่ได้กินหรอกมันเหมือนตักน้ําใส่ตุ่มรั่วตักลงไปแล้วก็รั่วไปหมดไม่ได้กินหรอกถ้าทำให้มันเด่นเดียวปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำตื่นขึ้นมาก็ด้วยความรู้สึกตัว จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งก็รู้สึกตัวจะไปกินข้าวจะไปอาบน้ําก็รู้สึกตัวนั่งรถไปทํางานก็รู้สึกตัวถึงที่ทํางานแล้วนะตอนนี้ยังสดกาแฟอยู่ยังขยับเปิดคอมพิวเตอร์อยู่อะไรเนี้ยรู้สึกตัวไปถึงตอนทํางานที่ต้องจิดนะ่ะค่อยจอดจ่ออยู่กับงานมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะว่าจริงๆแล้ว คนที่ทำงานไม่ได้ทํางานความคิดนะไม่ได้คิดตลอดหรอกจิตจะทะเลทลายไปทําเรื่องอื่นนเยอะเลยเยอะกว่าที่ทํางานชั่วโมงที่ทํางานที่ต้องคิดจริงๆสั้นนิดเดียวเวลาส่วนใหญ่ที่บอกว่าเราทํางานวัละแปดชั่วโมงอ่ะจริงๆไม่ถึงะใจลอยไปซะเยอะเลยงั้นถ้าเราเอาเวลาที่จะใจลอยเล่นนมารู้สึกรู้มีสติอยู่นะ เราจะปฏิบัติได้เยอะแยะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างหลวงพ่อนะทํางานนะลุกจากโต๊ะทางานนะเดินไปฉี่เนโ่ยหลวงพ่ปฏิบัติตลอดนะตอนลุกขึ้นมาจากโต๊ะทางานนะหัวยังหมุนอยู่คิดงานมามากอ่านหนะังสืออ่านข้อมูลเยอะนะหัวยังเวียนหัวอยู่ดูจิตไม่รู้เรื่องไม่ดูก็ดูกายเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําไปยืนฉี่อยู่เป็นคะราวา่าก็ยืนฉี่ได้ พยินฉีเสร็จนี่นนะดูจิตได้แล้วออกจากห้องน้นะําน่ะมันสบายใจมันเรียกว่าห้องสุขขาออกมาสบายใจดูจิตออกมาละนี่หลวงพ่อทําอยู่อย่างนี้นะใจกลางวันจะกินข้าวก็ไม่ไปเมาส์มอยเพลิดเพลินอะไรเสียเวลานะกินข้าวเราก็รู้จิตรู้ใจออกไปอย่างไปยืนเข้าแถวซื้อข้าวเนี้ยนะแถวมันยาวก็หงุดหงิดหงุดหงิดการู้ว่าหงุดหงิด ไปถึงร้านแม่ค้าไม่มีของที่เราอยากกินหรือของที่เราอยากกินขายหมดแล้วนะหงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วก็รู้ว่าหงุดหงิดนี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดเลยยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดกับตอนที่นอนหลับนังนั้นรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยตกเย็นกลับบ้านเนะหนื่อยเต็มทีแล้วนะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หพ่ออ่านการ์ตูนเด็ก อ่าขายหัวลออ่านแล้วพวกนี้อ่านแล้วก็นั่งหัวล้อไปสักพักหนึ่งนะใจก็ผ่อนคลายมีความสุขจนเวลาขำเนี่ยมันเห็นเลยใจที่ขำ ม, มันพุ่งขึ้นมาผุดขึ้นมาจากกลางอกนะความรู้สึกขำเนะี่ยขุดขึ้นมานี่ปฏิบัติแล้วการอ่านกระตูนคือการทำสมถะเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยหลวงพ่อภาวนาเนี่ยนะต้นทุนก็มีคิดว่ามีอะ ตอนเด็กๆนี่ตัวรู้มเคยพุดขึ้นมาเจอครูบาอาจารย์<ม>สนใจที่จะฟังธรรมไม่ใช่สนใจทําบุญอย่างเดียวนะสนใจที่จะฟังธรรมรู้หลักแล้วหลวงพ่อเอามาปฏิบัติน<ม>เนี่ยเงื่อนไขเหล่นี้ยหลวงพ่อทําอยู่ในสิ่งเหล่านี้พวกเราที่บอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะทําอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าถ้าพวกเราทําอย่างหลวงพ่อนะ มันต้องได้อะไรบ้างสมมติว่าต้นทุนเดิมไม่มีเป็นไปได้ไหมที่ต้นทุนเดิมไม่มีแล้วมีโอกาสมานั่งฟังธรรมไม่มีหรอกถ้าไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยนะไม่ได้ฟังธรรมหรอกไม่ได้เจอพระหรอกไม่จะเจอมานเจออะไรไปงั้นพวกเราแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีต้นทุนมาแล้วคนในโลกมีทั้งกี่พันล้านคนที่สนใจธรรมะมีกี่คน แล้วคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดมาเนี่ยมาเพื่อฟังธรรมมีสักกี่คนส่วนใหญ่มาทำบุญที่มากกว่าทำบุญก็คือไปหาความเห็งไปหาเลขหาเบอร์หาหวยหาโชคลาภไปขอพอรไม่สบายก็ไปขอพอรหลวงพ่อโสธรให้ช่วยไปขอหมอนะไม่สบาย อย่างหลวงพ่อนะ้่หมอช่วยกันดูแลเยอะช่วยดูช่วงที่ไม่สบายเนะี่ยงั้นเราเข้าวัดมาเอาธรรมะไปเอาธรรมะไปเพื่อลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับแล้วถ้าเราปฏิบัติให้มากพอนะตอนหลับ นะเวลาฝันด้ายขึ้นมานะสติจะเกิดในฝันนะสติจะเกิดได้เองหรือถ้าเราชำนาญในการปฏิบัติมีสติจริงๆนะนอนหลับอยู่นะเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่ตื่นนะแต่เห็นร่างกายป็นพลิกเลิกอะไรเนะืรู้ตลอดได้งนะั่นเราพยายามฝึกธรรมาให้สมควรแก่ธรรมนะเราจะได้ไม่โทษว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริง ลงมือปฏิบัติตั้งนานแล้วยังไม่ได้ผลอะไรที่ว่าทําตั้งนานนะจริ ง, รงทํานิดเดียววันๆเอาแต่หลงเอาแต่เพลอเอาแต่คิดแต่เรื่องจะทําบุญเนี่ยสำหรับคนดีนะพวกคนชั่วก็คิดแต่เรื่องจหาผลประโยชน์พวกคนดีก็คิดว่าจะทําบุญอะไรวัดไหนจะทําอะไรอะไรนี้คอยหูตาว่องไวบางทีก็แย่งบุญกันจะทําบุญเนี่ย จะยกช่อฟ้าก็ต้องเอาชอบฟ้าเองจะต้องแย่งกันทําบุญอย่างนี้ทําไปเพื่อสะสมกิเลสไม่ได้ทำไปเพื่อลดละ ก, กิเลสไม่ตรงวัตถุประสงค์หรอกไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพรุทธเจ้าหรอกงั้นเราได้ฟังทำแล้วนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจตัวเองอย่าละเลยปฏิบัติไปเรื่อยๆในเวลาไม่นาน ผลต้องการปฏิบัติไม่จะให้เราเห็นวันนี้สมควรใ่เวลานะแต่บอกซะก่อนว่าต่อไปเวลาหลวงพ่อเปิดวัดนะเราเดินเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะไม่ต้องลงทะเบียนนี่เรายังมากันน้อยยังพอรุมอร้มารวยแค่วัดไข้ใส่หน้ากา ก, าก ตอนที่หลวงพ่อเปิดทั่วไปขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องไปจองนะต้องไปจองจองคิวเพื่อจะเข้ามานั่งในศาลาข้างนอกศาลาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่มีตรวัศน์ไปตั้งให้ดูนะงั้นเดี๋ยวพวกเรามานั่งล้อมข้างนอกหลายร้อยคนขึ้นมาโอกาสที่จะติดเชื้อมยังมี ยังจำเป็นต้องรักษาระยะห่างเม่งนถ้าเราจะเข้ามาฟังธรรมก็จองคิวเข้ามาเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันพวกที่ไม่ต้องจองก็มีเหมือนกันอย่างพวกที่มานั่งอัดเทปเนี่ยเข้ามาได้ต้องมาทำงานสมควรแก่เวลานะไปทานข้าวกัน